สวัสดีนะคะพี่น้องในพระคริสทุกท่านนะคะเป็นเวลาห่างหายกันเป็นเวลานานนะคะที่เราไม่ได้เจอกันนะคะก็พอเริ่มใหม่ก็รู้สึกตื่นเต้นใหม่ <c oughs> แต่ยังไงก็ตามนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ได้รับใช้พระเจ้าแล้วก็รับใช้พี่น้องทุกคนด้วยการแบ่งปันพระวจนะในบ่ายวันนี้นะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุสัปดาห์ที่สามนะคะที่เราจะไข้ควรเรื่องของความรักของพระเจ้า นะคะเล่งวันเล่งคืนไปนิดนึงนะคะจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะก่อนสิ่งใดขอพี่น้องสงบใจร่วมกันอธิษฐานขอการทรงนำและการทรงสถิตของพระองค์ท่ามกลางพวกเราก่อนนะคะสาธุการพระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าผู้ทรงมีความรักมั่นคงไม่เคยแปรเปลี่ยนต่อเราทุกคนพระองค์ผู้ทรงรักและห่วงใยเราเสมอแม้บางครั้งเราจะรัก หรือหลงไปในความบาปแม้บางครั้งเราจะหลงทางไปจากพระองค์เหมือนแกะที่พระองค์ทรงเลี้ยงแล้วหลงหายไปแต่พระองค์ทรงตามหาเราและนำเรากลับมาในฝูงแกะของพระองค์เสมอเพราะความรักของพระองค์พระองค์ให้อภัยเราเสมอเพราะรักพระองค์มอบสิทธิความเป็นบุตรให้เราให้เราเป็นคนพิเศษในสายพเนตุของพระองค์เสมอ สรรเสริญพระเจ้าขอพระองค์ทรงให้เราเติบโตในความรักของพระองค์ขอพวกเราได้สัมผัสและตรรักรู้อย่างลึกซึ้งในจิตใจถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้ได้มากกว่าการเป็นข้อคิดให้ได้มากกว่าความรู้ขอพระวจนะในวันนี้แต่ต้องจิตใจแต่ละคนในที่ประชุมตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระองค์ทรงนำในการแบ่งปันพระวจนะให้ผู้แบ่งปันเป็นเพียงภาชนะ ที่จะผ่านอาหารฝ่ายจิตวิญญาณของพระองค์ไปยังลูกของพระองค์ทุ่นทั่วกันขอพระองค์สถิตท่ามกลางพวกเราขอพระองค์ทรงสอนเราให้เรามั่นใจในคุณค่าของตนเองที่ได้รับจากความรักมั่นคงของพระเจ้าจนล้นออกมาเป็นการตอบสนองความรักและความเมตตาของพระองค์ด้วยความจริงใจด้วยความสัตศ์ัื่อและเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์เสมอให้เราเข้าใจในความรักอันรําลึกของพระองค์อย่างไม่มีข้อสงสัย เพื่อที่เราจะเติบโตในพระคริสต์ยิ่งๆขึ้นไปด้วยเถิดกลับทุนทุกสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนความรักของพระเจ้านะคะเป็นศูนย์กลางของพระคัมภีร์นะคะบางครั้งบางสถานการณ์บางเวลานะคะมีใครในที่นี้เคยตั้งคําถามกับความรักของพระเจ้าบ้างไหมคะง ง, งงไหมคะ ความรักของพระเจ้าอย่างเช่นเราสงสัยอะค่ะว่าความรักของพระเจ้าที่มีต่อตอนเองพระเจ้ารักเราจริงเหรอนะคะเราไม่คู่ควรที่พระเจ้าจะรักนะคะเราทำผิดต่อพระองค์พระองค์คงจะเลิกรักเราเป็นแน่นะคะข้อสงสัยเหล่านี้อาจจะรบกวนเราเป็นบางครั้งบางคราวนะคะถ้าเราสัตย์ซื่อในความรู้สึกของเราลองพิจารณาดูนะคะว่า เรามีข้อสงสัยในความรักของพระเจ้ากันบ้างไหมนะคะข้อสงสัยในความรักของพระเจ้าเกิดขึ้นเพราะอะไรนั่นคือประการแรกที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะประการแรกเป็นเพราะว่าภาพของความรักของพระเจ้าในกรอบความคิดของเราถูกบิดเบือนนะคะเราสงสัยในความรักของพระเจ้าเพราะภาพของความรักของพระเจ้าในกรอบความคิดของเรานั้นถูกบิดเบือนจากมารซาตาน มันบิดเบือนความรักที่เรามีต่อความที่เรามีต่อพระเจ้านะคะความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราตั้งแต่มนุษย์คู่แรกแล้วมันล่อรวงให้มนุษย์ล้มลงในบาปแรกนะคะด้ยการไม่เชื่อฟังพระเจ้าเรากลับไปดูเหตุการณ์นั้นด้วยกันนะคะถ้าเราจำได้หลังจากที่อาดัม และเอวาได้ฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าที่พระ อ, องค์ห้ามไม่ให้กินผลไม้ชนิดหนึ่งที่กลางสวนเอเดนนะคะหลังจากที่เขาสองคนถูกยั่วยุจากงูนะคะตรงเนี้งูคือซาตานนะคะพี่น้องกลับไปกลับไปดูที่บ้านนะคะว่าในพระธรรมวิวรณบทที่12ข้อ9แล้วบทที่20ข้อ2เนี่ยได้เฉลยภาพงูว่าคือซาตานอย่างไรนะคะ กลับมาที่พระธรรมปฐมกาลกันต่อนะพระธรรมปฐมกาลบทที่3ข้อ8ถึงข้อ10เนี่ยได้บันทึกเหตุการณ์ต่อจากการกินผลไม้ต้องห้ามสําเร็จนะว่าเวลาเย็นวันนั้นเขาทั้งสองได้ยินเสียงพระเจ้าเสด็จดําเนินอยู่ในสวนชายนั้นกับภรรยาก็หลบไปซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้ในสวนนั้นให้พ้นจากพระพักพระเจ้า พระเจ้าทรงเรียกชายนั้นและตรัสถามเขาว่าเจ้าอยู่ที่ไหนชายนั้นทูลว่าข้าพระองค์ได้ยินพระสูรเสียงของพระองค์ในสวนก็เกรงกลัวเพราะข้าพระองค์เปื่อยกายอยู่จึงได้ซ่อนตัวเสียเมื่อมนุษย์คู่แรกทำบาปเขาอายนะคะที่จะสู้หน้าพระองค์เขาอายที่จะสู้หน้าพระเจ้าเขากลัวและไม่กลา้าไม่กล้าที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับพระเจ้าทั้ง ทั้งพี่ทั้งสองคนเนี่ยเขาพากันไปหลบที่พุ่มไม้นะคะแม้ว่าในพระคัมภีร์ได้บันทึกให้เห็นถึงท่าทีของพระเจ้าที่ตอบสนองต่อการกระทําบาปของเขาทั้งสองคนนั้นท่าทีของพระเจ้าไม่ได้ปัดมันปัดสะจากความน่ากลัวนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความรัก พระเจ้าแค่ส่งเรียกชายนั้นขณะที่พระองค์ดําเนินในสวนพระองค์เดินอยู่ในสวนอยู่พระองค์ก็เรียกอาดัมแล้วตรัสถามเขาว่าเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อเขาตอบพระเจ้าก็แค่ถามเขาว่าใครเล่าบอกเจ้าว่าเจ้าเปลือยกายเจ้ากินผลไม้ที่เราห้ามมิให้กินนั้นแล้วหรืออาดัมก็โทษเอวาภรรยาของเขาพระองค์ก็แค่หันไปถามเอวาว่าเจ้าทําอะไรไป พระคัมภีไม่ได้บันทึกเลยนะคะว่าพระองค์วิทย์พิโรธหรือพระองค์เกลียวกราดพระคัมภีไม่ได้บันทึกว่าพระองค์ตวาดเสียงดังเจ้าอยู่ไหนเจ้ากินผลไม้ที่เราห้ามไม่ให้กินแล้วเหรอคนละเสียงกันเลยเนาะพระคัมภีไม่ได้บันทึกว่าเขาทั้งสองนั้นกลัวจนตัวสั่นงานงกกลัวพระองค์ผู้เกลียวกราดแต่พระคัมภีบันทึกว่าอาดัมตอบพระเจ้าว่า ข้าพระองค์ได้ยินพระสูรเสียงของพระองค์ในสวนก็เกรงกลัวอดัมแค่ได้ยินเสียงพระเจ้าเดินอยู่ในสวนเขาก็กลัวแล้วนะคะอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้กี่ครั้งก็ไม่มีความรู้สึกว่าพระเจ้าจะด่าทอกราดเกลี้ยวได้เลยมีแต่ความรักความกาุณาแต่มีอีกจุดหนึ่งที่หลายคนอาจจะเอ๊ะนะคะเอ๊ะว่า พระเจ้าแสดงความไม่รักด้วยการ แ, แช่งสาบหรือเปล่านะคะในเรื่องนี้ความจริงแท้แน่นอนเมื่อมีคนทำบาปก็คือพระเจ้าไม่ได้พอพระทยัยพระเจ้าไม่ได้พอพระทัยกับความบาปเลยพระองค์ทรงกล่าวพระวาจาสาบแช่งและพระองค์ขับไล่มนุษย์ออกจากสวนเอเดนนะคะมนุษย์เปลี่ยนสภาพเป็นสิ่งที่ต้องตายเพราะมนุษย์ทาบาป และเงื่อนไขที่กําหนดไว้แล้วก็คือค่าจ้างของความบาปคือความตายอย่างที่เรารู้กันนะคะเราต้องไม่สับสนระหว่างความพอพระทัยกับความรักพระเจ้าไม่เคยพอพระทัยในความบาปนี่คือความจริงและความรักของพระเจ้าเป็นความรักแบบอากาเป้เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขพระองค์ลงโทษเมื่อเราทําผิดบาปแต่พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงความรักนะคะ ประโยคนี้ต้องเน้นนะคะพระองค์ลงโทษเมื่อเราทำผิดบาปแต่พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงความรักภาพความรักของพระเจ้าได้บิดเบือนไปเมื่อมนุษย์และเชื่อเชื่อนะคะและทำตามซาตานการที่มนุษย์เชื่อและทาตามซาตานนั่นคือการที่เขายอมอยู่ใต้อานาจของมันการบิดเบือนภาพของความรักพระเจ้าเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ยอมอยู่ใต้อานาจของมันมนุษย์กลัวและไม่กล้าเผชิญหน้ากับพระเจ้า ซึ่งแท้จริงพระองค์มีความรักแบบไม่มีเงื่อนไขการบิดเบือนภาพความรักของพระเจ้าทาให้มนุษย์ไม่เข้าใจความรักพระองค์เกิดเป็นภาพหรือกรอบความรักแบบใหม่กลายเป็นภาพตรงข้ามก็คือความรักพระเจ้ามีเงื่อนไขถึงได้บอกว่าเอ๊ะเราไม่ดีพอสำหรับพระองค์ที่พระองค์จะรักอันนั้นเป็นความรักที่มีเงื่อนไขซึ่งพระเจ้าไม่เคยเป็นอย่างนั้นนะคะพระเจ้า มีความรักของพระ อ, องค์มั่นคงความรักของพระ อ, องค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและไม่มีเงื่อนไขนะคะภาพบิดเบือนนี้ฝังเข้าไปในความคิดของมนุษย์เพราะมนุษย์ทําบาปและได้รับอิทธิพลของการยอมอยู่ใต้อํานาจของซาตานดังนั้นเมื่อใดที่ทําบาปมักจะมีความคิดของมารซาตานใส่ในหัวมนุษย์เสมอว่าเจ้าไม่เป็นที่รักแล้วเจ้าต้องหลบซ่อนพระเจ้า ตั้งแต่นั้นมนุษย์และโลกจึงมีภาพของความรักแบบใหม่ที่บิดเบือนไปนะคะกลายเป็นภาพหรือกรอบความรักที่มีเงื่อนไขไม่ใช่ความรักดั้งเดิมของพระเจ้าอันเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะเราจึงพบว่าในโลกในสังคมนั้นมนุษย์รักกันด้วยเงื่อนไขบางอย่างเสมอนะคะนี่คือประการแรกที่เราต้องรู้ ภาพความรักของพระเจ้านั้นถูกบิดเบือนจากความรักไม่มีเงื่อนไขกลายเป็นความรักที่มีเงื่อนไขทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าแม้เราเป็นคริสเตียนแท้ก็คือคริสเตียนที่ติดตามและปฏิบัติตามคําสอนของพระเยซูคริสต์นะคะอย่างแท้จริงบางครั้งเราก็ยังถูกรบกวนด้วยความสงสัยในความรักของพระเจ้าเมื่อเราเผลอทําบาปเราจะกลัวเมื่อเราหลงทางจากทางของพระองค์ บางครั้งเราคิดว่ามันยากเหลือเกินที่เราจะกลับมาสารภาพบาปและขอคืนดีจากพระองค์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องรู้เพราะไม่เช่นั้นมันจะทำให้เราสนับสนุนงานของซาตานที่มันได้เริ่มไว้นะคะมันโกหกคาโตบิดเบือนภาพความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราเพื่ออะไรทุกอย่างทำเพื่อให้เราห่างไกลจากพระเจ้านั่นเองนะคะ าการที่สองพระคัมภีร์บันทึกบันทึกว่าพระองค์ทรงรักเราเป็นเป็นเป็นเรามีหลักฐานในการบันทึกความรักของพระองค์ไม่ใช่เฉพาะประสบการณ์หรือความรู้สึกที่เราได้รับจากพระเจ้าเท่านั้นนะคะพระคัมภีร์ยืนยันว่าพระองค์รักเราหลายข้อนะคะแต่ข้อที่สำคัญสาคัญนะคะได้แก่พระธรรมยมบทที่ 3-16 ข้อ 16, ซึ่ง เราแทบจะขึ้นใจกันแล้วนะคะว่าพระธรรมบทนี้บันทึกไว้ว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตอิรันนะคะพระธรรมข้อนี้เป็นคําตอบที่หนักแน่นที่สุดสําหรับคําโกหกของซาตานที่ว่าเรานั้นไร้ค่าหรือไม่สมควรได้รับความรักจากพระเจ้า การตายของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์เพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของเราเป็นคำตอบหนักแน่นที่นำมาคัดค้านคำโกหกของซาตานในความพยายามที่จะบิดเบือนใส่หัวเราให้เข้าใจผิดต่อความรักของพระเจ้าพระคัมภีร์มีหลักฐานยืนยันความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรานะคะจงหยุดยั้งความคิดที่ว่าพระเจ้าไม่รักเราหรือความคิดที่ว่าเราบาปไม่คู่ควรกับความรักของพระเจ้า เพราะความเป็นจริงคือเราได้รับความรักของพระองค์อย่างเหลือร้นนะคะพระองค์รักเรามากจนประทานพระบุตรองค์เดียวมาตายเพื่อไถ่าบาปเรามันมันมันไม่มีความจำเป็นใดๆที่พระองค์จะต้องเสียสิ่งมีค่าถึงเพียงนั้นมาแรกกับความบาปของเราถ้าพระองค์ไม่รักเรานะคะเราต้องไม่ลืมความตายอันเจ็บปวดที่พระเยซูรับบนไม้กางเขนและความปวดร้าวของพระบิดาที่เฝ้า ดูพระบุตรสุทธิรักสิ้นพชนเพราะมันเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนักแน่นที่สุดแล้วว่าพระองค์รักเรามานมันโกหคุณค่าของเราในสายพระเนตรของพระเจ้าและความรักของพระองค์ที่มีต่อเราเป็นของจริงเสมอเพราะพระองค์รักเราพระเจ้าจึงยอมสละพระชนชีพของพระบุตรไถ่เราจากโทษของความบาปเมื่อไรที่คุณสงสัยในความรักของพระเจ้าขอให้ตะโกนบอกตัวเองนะคะ ว่าคุณถูกหลอกแล้วนะคะขอให้เราปฏิเสธความคิดที่โกหกนั้นอย่างจริงจังขอให้ทำหัวให้หัวใจของตัวเองมั่นคงไปด้วยความจริงนะคะเหมือนที่ท่านเปาโลมั่นใจและประกาศออกมาว่าในพระธรรมโรมนะคะบทที่8ข้อ3 8ถึงกนะคะท่านเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีขึ้นภา ย, ภายหน้าหรือลิทเดททั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถกระทําให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้นะคะประการที่สมนะคะ พระเจ้าดูแลชีวิตเราเสมอและพระเจ้าตามหาเราเสมอนะคะพระเจ้าทรงรักเรามากเรามีคุณค่าในสายพระเนตรของพระองค์เสมอนะคะขอให้เราอ่านพระธรรมพระวจนะพร้อมกันอีกครั้งในพระธรรมวัดทิวบทที่8ดข้อสิบถึงสิบสีนะคะมีไหมจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งด้วยเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่า ทูตสวรรค์ประจำของเขาเฝ้าอยู่เสมอต่อพระพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรถ้าผู้หนึ่งมีแกะอยู่ร้อยตัวตัวหนึ่งหลงหายไปจากฝูงผู้นั้นจะไม่ละแกะ99ตัวไว้บนภูเขาแล้วไปเที่ยวหาตัวที่หายนั้นหรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้นั้นพบแกะตัวที่หายเขาจะมีความเปรมปรียิ่งกว่าที่มีแกะ99ตัวที่ไม่ได้หลงหายนั้นอย่างนั้นแหละพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ไม่ทรงปรารถนาให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งพินาศไปเลยเรามาดูบริบทในตอนต้นของพระธรรมมัทธิว18ก่อนนะคะบริบทของตอนต้นของพระธรรมมัทธิว18เนี่ยเป็นเรื่องของเด็กเล็กๆคนหนึ่งซึ่งอยู่ท่ามกลางสาวก และพระองค์ก็บอกว่าใครที่มีความถ่อมใจเหมือนเด็กเล็กๆเขาจะได้มีเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์นะคะและสิ่งเหล่านี้มันทําให้เราไม่สามารถมองข้ามผู้เชื่อที่เป็นเหมือนเด็กๆเด็กเล็กๆเหล่านี้นะคะเราไม่อาจมองข้ามผู้เชื่อที่เป็นคนเล็กๆน้อยๆโดยบอกว่าเขาไม่สําคัญพระคัมภีร์สอนเราต่อในเรื่องของคนหลงผิดหลังจากเด็กเล็กๆพระองค์ก็สอนในเรื่องของคนที่หลงผิด แม้แต่คนหลงผิดเราก็ไม่สามารถปฏิเสธเขาได้พระองค์ไม่ปรารถนาให้ผู้เล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือผู้หลงผิดพินาศเลยสักคนพระองค์จะตามหาเขานะคะพระองค์ใช้ภาพของการอุปมาการเปรียบเทียบนะคะจากแกะหนึ่งตัวที่หายไปจากฝูงเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ภาพของผู้เลี้ยงคนหนึ่งที่มีแกะอยู่ร้อยตัว แล้วเมื่อแกะหายไปหนึ่งตัวเขาก็ละแกะ99ตัวไว้ในทุ่งหญ้าเพื่อไปตามหาแกะตัวเดียวที่หายไปนะคะเรารู้กันอยู่แล้วว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าร่ํารวยพระเจ้าพระองค์เป็นผู้กําหนดศีลธรรมในแผ่นดินโลกพระองค์มีฤทธิ์อานาจสูงสุดนะคะองค์หน้ายำเกรงพระองค์เป็นผู้พิพากษาที่เด็ดขาดแต่พระลักษณะเหล่านี้ไม่ได้ทําให้เราดําเนินชีวิตคริสเตียนด้วยความหวาดกลัวพระองค์ เพราะพระเจ้ายังมีพารักษณะของอีกพารักษณะหนึ่งก็คือพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าชนะใจเราครอบครองใจเราด้วยความรักของพระองค์นะคะพระองค์ไม่ได้เรียกเราทุกคนมารับใช้ด้วยคําสั่งอย่างเดียวแต่พระองค์เรียกให้เรายอมถวายตัวถวายชีวิตถวายเวลาเพราะว่าเราสัมผัสความรักจากพระเจ้าจริงไหมคะ พระธรรมตอนนี้ทําให้เราเข้าใจในอีกแง่มุมหนึ่งของความรักของพระเจ้าผ่านคําอุปมาอุปไมยสองประการนะคะก็คือคําอุปมาถึงทูตสวรรค์ที่ประจําตัวผู้เชื่อแต่ละคนและคําอุปมาถึงแกะหนึ่งตัวที่หลงหายไปจากฝูงแกะซึ่งเป็นการแสดงความรักของพระองค์ต่อมนุษย์นะคะจากการไขขวนพระคัมภีร์ตอนนี้พระองค์ได้เปิดเผยความรักมั่นคงของพระองค์ด้วยการปฏิบัติต่อเราใน ตามพระคัมภีร์นี้อยู่สองประการก็คือพระเจ้าดูแลเราเราจะไม่อยู่ตามลำพังและพระเจ้าตามหาเราเสมอในประเด็นที่ว่าพระเจ้าดูแลเราแล้วเราจะไม่อยู่ตามลำพังนั้นในมัทธิวบทที่ส8ข้อพระองค์ตัดสอนให้เราระมัดระวังและที่จะไม่ดูหมิ่นคนเล็กน้อยแม้แต่คนเดียวแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าใส่ใจพระเจ้าใส่ใจมนุษย์ทุกคน และพระองค์สอนให้เราใส่ใจมนุษย์ทุกคนเหมือนที่พระเยซูเป็นที่พระเยซูทรงใส่ใจนะคะข้อนี้อาจารย์ยากอบก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ใ น, ในพระธรรมยากอบบทที่สองข้อหนึ่งถึงนะคะว่าพี่น้องของข้าพเจ้าในเมื่อพวกท่านมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งศักดิ์ศรีของเรานั้นก็จงอย่าลำเอียง เพราะว่าถ้ามีคนหนึ่งสวมแหวนทองคําและแต่งตัวดีเข้ามาในที่ประชุมของท่านทั้งหลายและมีคนจนคนหนึ่งแต่งตัวซอมซ่อเข้ามาด้วยและท่านสนใจแต่คนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอย่างดีและกล่าวกับเขาว่าขอเชิญนั่งที่นี่ขณะเดียวกันท่านก็พูดกับคนจนนั้นว่ายืนอยู่ตรงนั้นแหละใครเคยทำบ้างคะน่าเกลียดนะคะหรือมานั่งที่พื้นแทบเท้าเรา พวกท่านก็แบ่งชั้นวันนะและตัดสินด้วยความคิดที่ชั่วรไยไม่ใช่หรือมันสิ่งชั่วายในสายพระเนตรของพระเจ้านะคะในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่ว่าคนจนหรือคนรวยทุกคนมีความสําคัญพระเจ้าไม่ได้เอาป้ายติดว่าผู้นําคริสต์จักรมัคดาโยกผู้ปกครองศิยาพิบาลหรือว่าหัวหน้ากลุ่มเซลล์กลุ่มแคร์มีความสําคัญกว่าสมาชิกพระเจ้าให้ความสําคัญกับทุกคน แล้วเรารู้ได้ยังไงว่าพระเจ้าให้ความสำคัญเดีทุกคนเราก็รู้จากข้อความต่อไปคือพระเจ้าให้ทูตสวรรค์ประจำของเขาเฝ้าอยู่เสมอเรารู้ไหมคะว่าพระเจ้าให้ทูตสวรรค์ประจำของเขาเฝ้าอยู่เสมอเพราะพวกเขามีทูตสวรรค์ประจำพวกเขาเฝ้าอยู่เสมอนะคะเรามีทูตสวรรค์ประจำตัวเราเฝ้าเราอยู่ เอเมนไหมคะอุ่นใจไหมนี่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เลยนะเพราะว่าเรามีทูตสวรรค์ประจำตัวนะคะในข้อนี้พระเยซูกำลังบอกว่าความรักที่พระองค์มีต่อเราแสดงออกโดยการดูแลชีวิตของเราดูแลชีวิตผู้เชื่อที่เล็กน้อยในสายตาของคนอื่นเราไม่ได้ประเมินถูกประเมินคุณค่าด้วยสายตาของเพื่อนมนุษย์เรามีคุณค่าเสมอในสายตาของพระเจ้านะคะถึงขนาดที่พระองค์ ใส่ใจและให้ทูตสวรรค์มารับใช้เรามาคอยช่วยเหลือปกป้องเรานะคะทุกคนที่เป็นคริสเตียนหรือผู้ติดตามพระองค์ได้รับการดูแลตัวต่อตัวนะคะจากทูตสวรรค์ของพระเจ้าทุกคนที่เป็นลูกพระเจ้ามีความสำคัญทุกคนเป็นคนพิเศษของพระเจ้าขอให้ทุกคนบอกกับตัวเองเลยค่ะว่าเราเป็นคนพิเศษของพระเจ้า ใช่แล้วขานไปบอกคนอื่นเลยค่ะว่าคุณเป็นคนพิเศษของพระเจ้านะคะ <laughs> ในบสถ์นี้ยที่นั่งทุกที่เป็น V.I.P. เราทุกคนเป็น V.I.P. ที่นั่งแต่หัวจดสุดท้ายนะั่นที่ไปกองกันอยู่นั่นนะคะเป็นที่ว V.I.P. ทั้งหมดนะคะอาจจะเป็นที่ V.I.P. พิเศษมากขึ้นไปนั่งกองข้างหลังมากนะะที่ตรงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนนั่ง นะะในโลกในสังคมภายนอกนะคะเขาจัดกลุ่มคนขึ้นมาเพื่อที่จะได้รับการดูแลแบบ VIP เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะดูแลทุกคนได้เขาต้องเลือกเอากลุ่มที่ได้รับการยกย่องให้เป็น VIP กับคนที่ไม่ได้ยกย่องให้เป็น VIP อพีาจะมีทางพิเศษสําหรับคน VIP มีที่นั่งพิเศษสําหรับ VIP มีห้องรับรองพิเศษสําหรับ VIP นะคะเพื่อให้ได้รับ ความสะดวกสบายเพื่อได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่สำหรับคริสเตียนของเราทุกคนเป็น VIP พิเศษไหมคะพระเจ้าของเราดูแลได้ทุกคนนะคะพระเจ้าไม่ต้องเลือกกลุ่มที่จะดูแลพระเจ้าให้เราทุกคนเป็น VIP คะ่ะพระองค์เพราะพระองค์มีผู้รับใช้เป็นมีผู้ปฏิบัติปนนิบัตินะคะของพระองค์อยู่พระองค์สร้างทูตสวรรค์มา ทูตสวรรค์เป็นใครทูตสวรรค์เป็นวิญญาณที่พระองค์ทรงสร้างเพื่อที่จะปฏิบัติพระองค์ทูตสวรรค์เป็นผู้ที่พระองค์จะสั่งให้ดูแลเราทูตสวรรค์อยู่ต่อหน้าบันลังของพระเจ้านะคะแล้วเป็นผูท้ที่เป็นวิญญาณที่มีฤทธิ์อานาจมากกว่ามนุษย์อยู่ชั่วขณะหนึ่งเมื่อเรากลับไปเฉลิมฉลองด้วยกันกับพระเจ้าเมื่อนั้นอํานาจของเรามากกว่าทูตสวรรค์นะคะ แต่ณนะตอนนี้ทูตสวรรค์มีอํานาจมากกว่าเราอยู่หน่อยหนึ่งนะคะทูตสวรรค์เป็นวิญญาณปณิบัติที่พระเจ้าทรงสร้างและทําตามพระประสงค์ของพระองค์ให้สําเร็จทูตสวรรค์มีฤทธิ์อํานาจที่พระองค์ทรงสั่งว่าวันนี้ไปนหนุนใจคนนี้หน่อยวันนี้ไป น, นําทางให้คนนี้วันนี้ไปช่วยปกป้องคนนี้หน่อยเดี๋ยวก้อนหินจะหล่นใส่หัวมแล้วนะ เราเราเคยเจอเหตุการณ์ไหมคะที่เหตุการณ์อัศจรรย์ต่างๆที่เราลอดพ้นจากอันตรายอย่างหวุดวิดบางครั้งเราก็เจอเหตุการณ์เช่นนั้นสําหรับคนนอกพระคริสต์เราไม่รู้ว่าใครช่วยเราหรือไม่เป็นการบังเอิญแต่สําหรับเราซึ่งเป็นลูกพระเจ้าเรารู้ว่าเรามีการปกป้องมาจากพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่ พระ อ, องค์จะให้รอดไปจากพระ อ, องค์นอกจากพระ อ, องค์จะอนุญาตให้มันเกิดขึ้นและพระ อ, องค์มีพระประสงค์ในชีวิตเราเสมอนะคะพระเจ้าสร้างผู้สวรรค์ให้เป็นวิญญาณปฏิบัติแต่พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้เป็นบุตรของพระ อ, องค์พระเราจึงมีสถานะที่พิเศษนะคะ พระธรรมฮิตบูบ ท, ที่1ข้อ 14, กล่าวว่าทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นเพียงวิญญาณผู้บุิบัติที่พระองค์ทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่จะได้รับความรอดและพระธรรมสดุดีบทที่91บอข้อ 11, บอกว่าเพราะพร ะ, พระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ละแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่าน หลายครั้งที่เรามีการรอดจากเหตุการณ์วิกฤตอย่างวุดวิดนะคะอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะคะจะขอแบ่งปันนิดนึงนะคะดิฉันได้ขับรถจากกรุงเทพเพื่อที่จะไปแม่สายกับเพื่อนสนิทสองคนนะคะจําได้ว่าวันนั้นเราขับรถไปทางเส้นเหนือขึ้นทางเส้นตะวันออกนะคะเพื่อจะขึ้นไปทางแม่สายแล้วก็สี่ทุ่มแล้วเราเพิ่งถึงเส้นประมาณถ้าจําไม่ผิดก็เป็นร้อง ร้องกวางกับเงาวนะคะตรงนั้นมันจะมีเป็นเส้นแคบเป็นถนนสองเลนแล้วก็เป็นภูเขาพอเราขับรถเร่งเครื่องขึ้นไปกําลังขึ้นเขาอยู่เลยก็เร่งเครื่องปื๊ดขึ้นไปรถก็สวนรถกำลังสวนมาพราะสุดสุดเนินที่เราเร่งเครื่องขึ้นไปแทบพังอะเลยค่ะเพราะมีรถคันหนึ่งกําลังแซงกําลังพยายามแซงเลนที่สวนมาเนี่ยขึ้นมาเราคิดว่าตายแน่เพราะว่ามันไม่หลบหลบไม่ได้เลยข้างซ้ายคือภูเขานะคะ ข้างขวานี่รถพ่วงยาวมากๆค่ะไม่ใช่พ่วงคันเดียวนะคะพ่วงสองคันยาวและรถคันนั้นกําลังวิ่งแล่นสวนขึ้นมานะคะเราสองคนสติยังดีนะคะจุ๋มหันไปถามไปถามเพื่อนว่าไอ้ข้างซ้ายเนี่ยห่างเท่าไหร่เพื่อนบอกฝ่ามือเดียวฝ่ามือเดียวก็คือนิดเดียวระหว่างไอ้เหล็กกั้นภูเขากับถนนเนะะี่ยค่ะฝ่ามือเดียวเราก็คิดว่า เราก็แบบเบรกเพราะมันเร่งขึ้นมาใช่ไหมคะก็เบรกจนแบบท้ายปัดอะท้ายปัดเลยนะคะแล้วแล้วเราก็พูดคําเดียวเลยพระเจ้าปรากฏว่าระหว่างที่คือเราไม่มีช่องทางไหนที่จะรอดอะรถมันก็สวนมาแล้วรถมันมีสองเลนนอกจากสามสา ม, สามคันสามคันสีกันไปอะแต่ระหว่างที่รถคู่กันขี่กันสามคันเนี่ยนะคะมีความรู้สึกเหมือนรถ เราลอยลอยเหมือนอยู่บนเรือมันวืบๆแล้วเราก็ผ่านมันไปได้ไม่มีแม้แต่รอยขูดขีดนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสี่ทุ่มมันมืดนะคะมันไม่สามารถแก้สถานการณ์ใดๆได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าไม่ใช่พระองค์เราก็คงไม่รอดนะคะคือรถที่เร่งความเร็วขึ้นมาเพื่อแซงเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เร่งด้วยความเบาะคะ่ะเขาเร่งเพื่อจะให้พ้นแล้วก็พ้นไปจากรถคันนี้เร็ว เราเองก็เร่งขึ้นไปเพื่อจะให้ขึ้นเหนินให้ได้เพราะเราถเราหนักมากเราขนของไปนะคะก็รอดมาได้นะคะรอดมายืนคุยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็เข็ตนะคะไม่กล้าขับรถกลางคืนขึ้นเหนืออย่างนั้นอีกแล้วนะคะเมื่อเมื่อดิฉันมาเป็นคริสเตียนนะคะดิฉันเชื่ออย่างที่สุดว่าเป็นการปกป้องคุ้มครองจากพระเจ้านะคะความเชื่อของเราไม่ได้ลมลมแรงๆประสบการณ์รับความช่วยเหลือขโฮองค์มีแทบทุกวันไม่ว่า ในการดาเนินชีวิตเรื่องเล็กๆจนถึงเรื่องใหญ่ๆนะคะเวลาเราเราเราเป็นเราไม่ใช่คริสเตียนเนี่ยเราไม่รู้ว่าความช่วยเหลือนั้นมาจากไหนแต่เมื่อเราเป็นคริสเตียนประสบการณ์ที่พระองค์ช่วยเหลือนัน้นมันบ่อยเหลือเกินนะคะบ่อยมากกว่าความบังเอิญแล้วก็มันบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่าใครช่วยเรานะคะดังนั้นเมื่อใดนะคะที่พวกท่านรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งมันมีอารมณ์ตีดเนาะคนเราเนี่ย หรือถูกทดลองให้คิดว่าไม่มีใครห่วงใยก็ขอให้พระคาวันนี้นะคะได้เตือนจิตใจเราเสมอว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเรานะคะพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราพระเจ้าดูแลชีวิตของเราเสมอส่งทูตสวรรค์มาเฝ้าเราแต่ละคนนะคะความทุกข์บางอย่างเราจะเห็นนะว่าความทุกข์บางอย่างเรากลับคลี่คลายความทุกข์ที่เรากาลังเผชิญเผชิญอยู่ไม่รู้ว่าใครเคยมีประสบการณ์นี้บ้าง แค่วันสองวันความทุกนั้นคลี่คลายเหมือนมันไม่เกิดขึ้นมาก่อนคือมันไม่เกิดแผลเหมือนตอนที่เราไม่มีพระเจ้าตอนนี้เราไม่มีพระเจ้ากว่าเราจะผ่านความทุกข์แต่ละความทุกข์เนี่ยมันยากเรายังร้องห่มร้องไห้แต่เมื่อเรามีพระเจ้าและเราติดสนิทกับพระองค์นะคะฝากปัญหาไว้กับพระองค์บางปัญหามันพลิกมันพลิกความรู้สึกและอารมณ์ของเราได้อย่างน่าอัศจรรย์มันมันสามารถเปลี่ยนแปลงเหมือนไม่เกิดขึ้นมาก่อนคือมันมีแต่มันไม่มันไม่เจ็บปวดทรมาน พระองค์รู้จักเราดีมากๆนะคะที่จะรู้ว่าชีวิตเราเป็นยังไงนะคะแล้วก็พระองค์เนี่ยมกักจะส่งทูตสวรรค์ผ่านผ่านคนอื่นมาคุยกับเราหรือพระองค์บางทีก็พระองค์ส่ ง, สงทูตสวรรค์มาคุยกับเราเองนะคะเราอาจจะไม่ได้เห็นชัดๆนะคะการดูแลของพระเจ้าในชีวิตของเราแสดงความใส่ใจที่พระองค์มีอย่างเรากับเราอย่างเฉพาะเจาะจงและครบถ้วนนะคะ หลายๆครั้งเราจะชินกับวิถีของพระองค์จงเลิกแปลกใจในความช่วยเหลือของพระองค์ที่เจาะจงพอเหมาะพอดีเคยคิดไหมคะว่าความช่วยเหลือของพระองค์เจาะจงและพอเหมาะพอดีกับชีวิตของเราเสมอนะคะมีนักเทศน์ท่านหนึ่งบอกว่าพระพรของพระเจ้าที่ให้กับเรามันเป็นไซส์เสื้อที่พอดีกับสําหรับชีวิตเราเสมอนะคะหลายพระพรมันไม่เหมือนพระพรที่คนอื่นได้รับแต่มันเป็นเสื้อที่พอดีสําหรับเรา นักเทศท่านนั้นบอกว่าเราจะดีใจกว่าถ้าเราได้รับเสื้อที่พอดีกับเราคือเราได้เสื้อไซส์เอนะคะถึงแม้ว่ามันจะใช้ผ้าน้อยกว่าเสื้อ XL ที่คนอื่นเขาได้จริงไหมคะการดูแลของพระเจ้าเป็นไซส์เสื้อที่พอดีกับชีวิตของเราเพราะพระเจ้าเจาะจงและใส่ใจรายละเอียดนะคะและเป็นการดูแลที่ทันเวลาของชีวิตเราเสมอ ในพระธรรมธวบทที่8ข้อสองก็ที่เร า, เาใคร่ควรก็คือพระเจ้าตามหาเราเสมอนะคะสิ่งที่สองที่เป็นความรักของพระเจ้าที่ปรากฏให้เห็นเป็นภาพของการอุปมาถึงแกะตัวหนึ่งที่หลงหายไปพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะตามหาเราในวันที่เราทำบาปเราเสียใจเราร้องไห้เราหลบหน้าพระเจ้าเราไม่กล้าสู้หน้าพระเจ้าจากาพระคัมภีร์ วัตถิบดที่18ข้อ12ถึง14นะคะท่านทั้งหลายคิดอย่างไรถ้าผู้หนึ่งมีแกะอยู่ร้อยตัวตัวหนึ่งหลงหายไปจากฝูงฝูงนั้นผู้นั้นจะไม่ละแกะ99ตัวไว้บนภูเขาแล้วไปเที่ยวหาตัวที่หายนั้นหรื อ, รอเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้นั้นพบแกะตัวที่หายเขาจะมีความเปลมปรียิ่งกว่าที่มีแกะ99ตัวที่ไม่ได้หลงหายนั้นอย่างนั้นแหละ พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ไม่ทรงปรารถนาให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนพิหน้าไปเลยไม่ใช่แค่การดูแลชีวิตเท่านั้นพระองค์ยังตามหาเราแม้ยามที่เราพลาดพรั้งหลายครั้งที่เราทำผิดแล้วรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรกับพระเจ้าเราไม่ดีพอสําหรับคําอวยพรจากพระเจ้าแต่พระองค์อวยพรเราไม่ใช่เพราะความดีของเราเราอวดไม่ได้เลยไม่มีใครสักคนที่จะอวดได้อย่างที่พระองค์บอกนะคะ ว่าเราสมควรได้รับ พ, พ, พ, พ, พระพรเพราะการกระทาของเรา พ, อ พ, อพระพรที่พระเจ้าให้มานั้นมาจากพระคุณของพระ อ, องค์เรารู้กันอยู่แล้วนะคะพระคุณคือสิ่งที่เราได้รับพระคุณคืออะไรพระคุณคือสิ่งที่เราได้รับทั้งๆ ท, ท, ที่เราไม่สมควรจะได้รับนั่นคือพระคุณถ้าเรามีคำว่าคู่ควรกับการการที่เราได้รับเราทำนี้แล้วเราคู่ควรจะได้รับสิ่งนี้จากพระเจ้าเราก็จะไม่รู้จักพระองค์พระคุณของพระเจ้านะคะ ถ้าแกะตัวหนึ่งหายไปจากฝูงแกะร้อยตัวท่านคิดว่าแกะที่หายไปนั้นจะทําให้ผู้เลี้ยงจนลงไหมคะพระองค์มีแกะถึงร้อยตัวพระองค์รวยนะคะเพราะฉะนั้นแกะหนึ่งตัวที่หายไปเนี่ยไม่ได้ทำให้ไม่ได้พระ อ, องค์ตามหาไม่ใช่เพราะพระ อ, องค์ขาดกําลังคนพระ อ, องค์ไม่ได้ตามหาเราเพราะว่าพระ อ, องค์ไม่มีคนรับใช้ในคริสตจักรแต่พระ อ, องค์ตามหาเราเพราะพระ อ, องค์รักเรา ไม่ใช่เลยพระองค์ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่พระองค์ทำเพราะว่าทำเพราะรักเรานะคะผู้เลี้ยงคนนี้ตามหาแกะตัวนั้นเพราะความรักและห่วงใยไม่ใช่เพราะความขาดแคลนนะคะพระองค์แล้วพระองค์ยังรู้จักแกะของพระองค์ดีพอที่จะแยกออกว่าแกะตัวไหนเป็นแกะของพระองค์แกะตัวไหนชื่ออะไรพระองค์รู้จักชื่อแกะทุกตัวนะคะในพระธรรมยอห์นบทที่สิบข้อสามนะคะ บอกไว้ว่าแต่ผู้ที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะนายประตูจึงเปิดประตูให้ผู้นั้นแกะย่อมฟังเสียงของท่านท่านเรียกชื่อแกะของท่านและนำออกไปท่านเจาะจงนะคะพระเจ้าเจาะจงในการที่เรียกแกะแต่ละตัวเข้ามากลับมาหาพระองค์พระองค์รู้จักเราทุกเส้นผมพระองค์รู้จักเราพระองค์รู้จักชื่อแกะทุกตัวมีแกะอยู่ร้อยตัวมาคิดว่า คุณคิดว่าคุณจะแยกแยะได้ไหมว่าแกะตัวไหนเป็นตัวไหนแกะตัวนี้มีปานดำตรงหน้าแกะตัวนี้มีหัวแหวงนิดนึงแต่มันเดินปนไปปนมาไม่มีทางที่เราจะแยกออกนะคะแต่พระองค์แยกออกพระองค์แยกได้ว่าแกะตัวไหนเป็นของพระองค์แกะตัวไหนไม่ใช่ของพระองค์แกะตัวไหนเป็นเวลาที่พระองค์จะเรียกเขากลับมานะคะ พระว่าเจเนของพระเจ้าหลายข้อที่บอกเราว่าพระเจ้ารู้จักเราดีมากนะคะอย่างเช่นพระธรรมสดุดีบทที่139ข้อ 1-4 นะคะแค่แต่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบพระองค์รู้หมดเลยนะจะนั่งจะลุกดูหมดนะคะพระองค์ทรงประจักษ์ในความคิดของพระองค์ได้แต่ไกลไม่ต้องเข้ามาใกล้นะคะอยู่ไกลๆพระองค์ก็รู้ว่าคิดอะไรนะคะ พระองค์ทรงค้นวิถีของข้าพระองค์และการนอนของข้าพระองค์เมื่อคืนนอนท่าอะไรพระองค์ก็รู้นะคะแล้วทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์ใหญ่คนเนี้มันจะไปทางไหนมันจะงอนก่อนแล้วมันจะเลิกงอนแล้วมันก็จะดีขึ้นอย่างเงี้ยนะพระองค์รู้หมดนะคะข้าแต่พระเจ้าแม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมุดแล้วเอาจะเอาอะไรไปปิดนะคะก่อนจะพูดยังรู้เลยนะคะว่าจะพูดอะไรนะคะ พระธรรมยอห์นบทที่ 10: บข้อสิบถึงสิบอกว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราเหมือนอย่างที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดาและเราสละชีวิตเพื่อฝูงแกะฮ้องบอกนะคะว่าพระองค์สละชีวิตเพื่อฝูงแกะแกะอื่นที่ไม่ได้เป็นของคอ้อนี้เราก็มีอยู่แกะพวกนั้นเราก็ต้องพามาด้วย และแกะพวกนั้นจะฟังเสียงของเราแล้วจะรวมเป็นฝูงเดียวแล้วอีผู้เลี้ยงเป็นคนเดียวพระองค์ไม่ได้รักแกะที่นั่งอยู่ในโบสถ์นี้อย่างเดียวพระองค์รักแกะที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าพระองค์จะเรียกเขาเข้ามากลับมาให้คืนดีกับพระเจ้านะคะพระเจ้ารู้จักท่านทุกแง่ทุกมุมแล้วจะเตรียมทางในชีวิตของท่านเป็นอย่างดีนะคะพระองค์เข้าใจเรารู้จักเรารู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรนะคะ บางคนไม่กล้าขอคูพระพรว่าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เพราะแอบบอกว่าพระองค์ขอให้ข้าพระองค์ชอบด้วยแต่จริงๆแล้วพระองค์รู้จักว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะพระองค์ไม่เลือกคนที่เราไม่ชอบเพราะว่าพระองค์บอกว่าให้เรารักสามีและสามีรักเราเพราะฉะนั้นพระองค์จะไม่เลือกคนที่เรารักไม่ได้มาแน่นอนนะคะเพราะรู้จักเราดีทุกแง่ทุกมุมรู้ว่าลสนิยมเราเป็นยังไง ชอบคนแบบไหนชอบอคนอ้วนชอบเขาข้างตัวเองนะคะชอบคนอ้วนหรือว่าสไตล์ของเราจะเป็นยังไงนะคะแต่พระองค์ไม่ได้เห็นด้วยทุกอย่างกับที่เราต้องการไม่ได้ตอบทุกสิ่งที่เราอยากได้แต่พระองค์รู้จักสิ่งที่เราเป็นเป็นอย่างดนะะีพระเจ้าไม่เคยเบือนหน้าจากผู้ที่ทาผิดไม่เคยรังเกียจผู้ที่ทาผิด บางครั้งไม่ทราบว่าท่านในที่นี้ในที่ประชุมนี้เนี่ยคะมีประสบการณ์ในการที่พระเจ้าตามกลับมาไหมนะคะเมื่อท่านหลงทางไปจากพระองค์เราจะรู้สึกผิดและแม้แม้เราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากที่จะกลับมาสู้หน้าพระองค์บางครั้งเราก็หน่ายกับตัวเองนะคะที่ฉันเคยเป็นนะคะว่าทําไมเราถึงเป็นแบบนี้นะคะผิดซ้ซําๆนะคะแต่พระองค์ก็อดทน นิสัยบางอย่างเราแก้ยากนะคะเราไม่สามารถแก้ได้ตัวตัวเองนะคะเพราะองค์ก็อดทนนะคะตามหาเราแล้วก็เรียกเรามาติดตามพระองค์เสมอนะคะแกะที่หายไม่จำเป็นต้องเป็นแกะที่ไม่มาโบส์นะคะแกะแกะที่หายอาจจะเป็นแกะที่นั่งอยู่ในโบส์แต่ว่าหลงไปจากฝูงหลงไปจากฝูงด้วยจิตใจนะคะด้วยจิตใจของเขา เขาอาจจะไปนมัส ก, การพระอื่นในวันอื่นๆนมันส ก, การพระอื่นก็คือนมัส ก, การความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนมัส ก, การเงินหาเงินก่อนพระเจ้าเฉพาะ10บโมงถึงเที่ยงนะคะหรือว่านึกถึงความสนุกสนานว่าเราจะไปมิตริ้งหลังโบสกับใครมากกว่าที่จะใช้วันนั้นพักสงบกับพระเจ้านะคะสิ่งเหล่านี้เป็นการหลงหายจากพระเจ้าแม้เราจะนั่งอยู่ในโบสนะคะ หลายครั้งในหน้าที่ของการตามแกะก็เช่นกันนะคะหลายครั้งเราคิดว่าเราเนี่ยโห ฮ, ฮีโร่มากเลยเราไปตามแกะกับโบสถ์นะคะเราไปตามแกะหลงหายนะคะแต่ให้รู้เถิด ว, ว่าเราไม่ได้เป็นคนตามนะคะแต่เราเป็นอาจจะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการตามแกะพระองค์อาจจะใช้ C ีเจนทีวีทีวีของคริสเตียนพระองค์อาจจะใช้ อ, จจชอินเทอร์เน็ตคําพยานหัวหน้าใหม่ในที่เป็นคริสเตียนของเขา ที่เขาหลงไปจากโบสถ์แล้วในการตามแต่พระองค์เป็นคนตามแกะนะคะพระพงค์บอกว่าพราะองค์จะตามแกะทุกตัวให้กลับมานะคะเมื่อแล้วเมื่อแกะกลับมาแล้วพระองค์ไม่เคยคิดจะพิพากษานะคะลองดูข้อ13นะคะเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้นั้นพบแกะตัวที่หายเขาจะมีความเปรมปรียิ่งกว่าที่มีแกะ99ตัวที่ไม่ได้หลงหายนั้น องค์พิพาสหาไหมคะถ้าเราทําบาปกลับมาเลยนะคะพระองค์ไม่เคยนะคะที่จะที่จะจ้องพิพากษาเรานะคะแต่พระองค์ยินดีค่ะอย่างนั้นแหละพระบิดาท่านผู้สถิตในสวรรค์ไม่ทรงปรารถนาให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนพิรุษไปเลยนะคะพ่อคนนี้ยินดีอย่างยิ่งแม้ว่าลูกคนเดียวจะกลับมาขอให้เราอย่า ก, กลัวที่จะกลับมาสารภาพบาปที่เราทําผิดซ้ําๆต่อพระองค์นะคะ ในสายพระเนตรของพระองค์เรามีคุณค่าและเป็นคุณพิเศษเสมอนะคะชีวิตคริสเตียนของเรานั้นแม้จะมีคนเหยียบย่ําชีวิตของเราหรือแม้บางทีเราเหยียบย่ําตัวเองนะคะบางครั้งไม่มีใครทําแต่เรากระโดดลงไปในกองปฏิกูลด้วยตัวเองนะคะเรากระโจนเข้าไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราโศกปลวกเหลือเกินแต่ในสายพร ะ, พระเนตรของพระเจ้าคุณค่าในตัวเราไม่เคยลดนะคะเราเป็นถ้าเราเป็นเพชร เราจมลงไปเราโดดลงไปในเราหล่นลงไปในขี้ควายพระองค์่าของเพชรก็ยังคงอยู่น ะ, ะเราไม่เคยเพระองค์ไม่เคยลดค่าของเรากลายเป็นกลวดในขี้ควายนั้นไม่ว่าเราจะโจรลงไปในสิ่งปฏิกูลด้วยตัวเองหรือใครมาเหยียบย่ําเรานะคะในสายพันธุ์ของเราไม่เคยลดคคุณค่าน้อยลงเลยนะคะในการแบ่งปันวันนี้นะคะเราจะ สรุปกันเพราะว่าเราไปกันยืดยาวมากนะคะประการแรกก็คือขอให้เราปรับกรอบความคิดของเราต่อพระเจ้าให้ถูกตามความเป็นจริงความรักของพระองค์ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่มั่นคงต่อเราและเป็นความรักนิรันไม่มีสิ่งใดที่ทําให้พระเจ้ารักเราหน้าอน้อยลงเลยนะคะประการที่สองพระวจะนะยืนยันกับเราว่าพระเจ้ารักเราเป็นที่สุด เมื่อเราสงสัยในความรักของพระเจ้าขอให้มันเราไร่ความความคิดนั้นออกไปนะคะมันเป็นคําโกหกคาโตจากมารซาตานนะคะขอให้เราปฏิเสธความคิดที่โกหกนั้นอย่างจริงจังขอให้ทําหัวใจเราให้มั่นคงด้วยความจริงว่าพระองค์สละชีวิตพระบุตรของพระองค์มาตายเพื่อไถ่าบาปเราเป็นไปไม่ได้ที่พระองค์จะทําโดยไม่มีความรักและประการที่สามประการสุดท้ายนะคะเพราะรัก พระองค์จึงแสดงออกด้วยการดูแลชีวิตของเราพระองค์ให้เราทุกคนมีทูตสวรรค์ดูแลชีวิตอย่างเฉพาะเจาะจงด้วยพระคุณและความรักและพระพรที่ให้กับชีวิตเรานั้นเหมาะสมเพียงพอและทันเวลากับชีวิตของเราเสมอเป็นพระพรที่ฟิตกับไซส์เสื้อของเรานะคะและเมื่อเราหลงไปจากทางของพระองค์อย่าอายอย่าเย่อหยิ่งที่จะกลับมาสารภาพบาปและติดตามพระองค์เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่กอบไปด้วยความรักนะคะ ขอพระเจ้าอวยพระพและหนุนจิตชูใจพี่น้องทุกคนนะคะอาเม น, นะคะ่ะ